คำที่พกชาวพูดทั้งหลายได้ระลึกฝังจิตมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและนักปฏิบัติเราระลึกทั้งทางด้านจิตใจและประกอบความภาคเพียรเพื่อให้เป็นไปตามแนวของ ที่เราลึกถึงอยู่นั้นคือพุทธังสนังคาฉามิทำมังสังขังสนังคาฉามินี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องความอัศจรรย์ธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่รือโลกรือสงสารรือวัตทุก์ออกจากจิตใจของสัตว์โลกได้โดยไม่ต้องสงสัย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 แต่ออกมาจากใจรจินของพระองค์ที่เราได้ยึดว่าเป็นสาระของเราคือพุทธังสังขฉามิองค์ศาสดาเอกนี้ท่านดาเนินอย่างไรจึงได้ถึงขั้นถึงภูมิแห่งความเป็นศาสดาเอกและทานั่นเป็นธรรมที่จัดไว้โดยชอบธรรมออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้ว ท่านดำเนินอย่างไรควรระลึกให้ถึงใจอย่าให้จืด จ, จางห่างเหินจากธรรมนี้ข้าสึกจะไม่ได้เข้าใกล้ชิดติดกับหัวใจและทำลายใจไปตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้ซึ่งไม่สมกับไม่สมกับความมุ่งหมายของธรรมและพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลย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 ในตำรับตําราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติเราได้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่บําเพ็ญหลับนอนสถานที่เช่นไหนตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดปรากฏว่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่โอดอยากขาดแคลนทั้งนั้นสําหรับธาตุขันสําหรับโลกเขาไม่ต้องการความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการ แต่พระองค์ซึ่งเป็นโลกเหมือนโลกทั่วไปก็จำต้องอยู่จำต้องอดทนทั้งที่ใจหนึ่งซึ่งเป็นความเคยชินนั้นไม่อยากอยู่ไม่อยากบําเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นแต่ก็จำต้องได้อยู่ได้บําเพ็ญนี่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าการเริ่มต้นฆ่ากิเลสชำระกิเลส ก็เริ่มต้นฝืนกันตั้งแต่บัดนั้นในป่าคำว่าป่ามีหนาซ้ำยังบอกว่าลุขโมูเรเซนาสนางอีกคืออยู่ตามโลกไม้ชายเขาหาที่สะดวกสบายไม่ได้เลยจึงไม่เป็นที่ที่ห ร, รูหราดังที่โลกทั้งหลายนิยมกันท ร, รมนินมกับโลกนิยมต่างกันอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มแรกมา แม่อค์ศาสดาก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้อดทนต่อสู้กันมาอย่างนี้ไม่เคยลดละการต่อสู้เมื่อกิลสยังมีอยู่ในพระไทยมากน้อยเพียงไรการต่อสู้จะต้องมีกันมากน้อยเพียงนั้นถึงขั้นควรสลบก็จาต้องสลบไปหากว่าควรจะตายก็จาต้องตายแต่นี้ไม่ถึงขั้นนั้น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 ลาบินทบาทก็ได้ตามความคนที่เขาให้ทานอยู่ตามประเพณีไม่ใช่คนที่รู้จักาศาสนาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ในเมืองไทของเราเลยเขาให้ทานตามประเพณีของเขาเช่นนั้นได้อาหารไม่ว่าชนิดใดมาก็มาคุกคราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนถึงกับขั้นจะ สเสวยไม่ได้ก็ในพระประวัติมีมาอย่างนั้นแต่ก็ทรงฝืนสเสวยจนได้เนี่ยนี่แหละคำว่าฝืนแม้แต่สเสวยพระกยาหารก็ยังต้องฝืนเพราะอาหารเหล่านั้นไม่ได้เหมือนอาหารของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในพระรา ช, ชวังเป็นกันคนใโลกทีเดียวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของลูษีดาบทไปก็ได้ เพราะยังไม่เป็นแบบเป็นบับตายตัวออกจากความเป็นศาสดานั่นเป็นคนที่มีศิลเหตอยู่ธรรมดาเหมือนโลกทั่วทั่วไปพระองค์ก็ย่อมจะเป็นอย่างนั้นในเวลาบาเพ็ญอาจจะเป็นเพศหรือสีดาบุตรหรืออะไรไปทำนองนั้นการประกอบความภาคเพียรก็ต้องลูบรูปคาคำเพราะเป็นทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยทาย่อมจะผิดจะพลาดจนถึงกับ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 จะสุดจะสิ้นในเรื่องการบําเพ็ญตนเพื่อมรักเพื่อผลต่อไปจะทําไม่ได้เพราะจิตไม่ยอมรับกิริยาอาการที่จะทําก็ย่อมทําไม่ลงแต่พระพุทธเจ้าในเวลาบําเพ็ญพระองค์ทรงพร้อมทั้งนั้นตายก็ยอมจะตะยอมตายนี่นี่ละเรื่องชารณะของพวกเราท่านดําเนินมาอย่างนี้การทรงบําเพ็ญ ทางด้านจิตใจก็ต้องบีบบังคับกิเลสตัวสำคัญสำคัญที่ทำให้คิดถึงอ๋อปราสาท้าจุมนลทียนบริษัทปริวารวงกษัตริย์ซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่วันประสูตรจนกระทั่งฟันเสด็จออกสมปราหนววทำไมจะไม่ฝังลึกเล่ากิเลสประเภทเหล่านี้ต้องฝังลึกกิเลสกษัตริย์กับกิเลสคนสามัญธรรมดาถ้าพูด น้ำหนักแห่งความเป็นพิษเป็นไฟแล้วธธกิเลสกษัตริย์นั่นแหละหนักมากกว่ากิเลสคนธรรมดาเพราะมีแต่ความห่วงความใหยมีแต่สิ่งที่ผูกพันจิตใจให้ก้าวเดินไม่ออกทั้งนั้นแต่พระองค์ก็สงฝืนจนกระทั่งเสด็จออกได้ด้วยการบำเพ็ญอยู่สะดวกสบายเพราะพระไทยในการที่จะบำเพ็ญเพื่อชำระสิ่งผูกพันทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปโดยลำหนับลําดา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 โดยถ่ายเดียวเท่านั้นหากไม่ตรัสรู้ร่างกายจะเหี่ยวแห้งหรือตายไปเสียเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะให้เป็นไปตามนั้นแต่การบำเพ็ญเพียรเพื่อความตรัสรู้นี้ไม่ล้นละจนกว่าจะสิ้นลมหายใจไปเสียเท่านั้นนี่เป็นความเด็ดเดี่ยวอาศารานของศัสดาผู้นำธรรมมาสอนโลกด้วยสุคาธรรมคือตรัสรว้ชอบก็เพราะความรู้ชอบของศัสดาองค์เอกไม่ถอยหลังนั่นเอง นี่คือคติตัวอย่างในการตะเกียกตะกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาณะของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างย่นของเราแต่ละท่านละท่านโตรได้ระลึกลงให้ถึงใจยาได้หยิบหรือเอื้อมมือออกไปให้กิเลสมาฉุดมาลากเอาขึ้นเฉียงของมันอย่างง่ายได้หาความ คัดค้านต้านทานกันไม่ได้อย่างนั้นไม่ถูกเลยนักปฏิบัติเป็นนักที่ใคร้ครวรเป็นนักที่สุขขมเป็นนักที่อดเป็นผู้อดทนต่อกิจการที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนเสี้ยนน้ำคือกิเลสแต่และประเภทประเภทออกจากหัวใจเราเป็นสิ่งที่ถอดถอนได้ยากยิ่งกว่าสอดถอนสิ่งใดยิ่งกว่าการรบการต่อสู้สิ่งใดทั้งนั้น เพราะจะต้องได้ใช้สติกำลังสติปัญญากำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมมีเท่าไหร่เป็นโ้มกันมาหมดมาต่อสู้กับกองทัพแห่งกิเลสที่พาสัตว์ให้ล่มจมอยู่ตลอดเวลาหาความหลุดพ้นไปไม่ได้นี่เนี่ยจึงเป็นของยากยากอย่างนี้คำว่ายากก็คือกิเลสตัวที่มันขัดมันขืนนั่นแหละทำให้ยาก ไม่ใช่ทำพาให้ยากไม่ใช่มรรคผลนิพพานทาให้ยากไม่ใช่ความสิ้นทุกความสิ้นกิเลสพาให้ยากการต่อสู้กิเลสเพื่อให้สิ้นซากไปเสียจากใจนี้ย่อมได้รับการจีดการขวางต่อมกับมันไม่ใช่น้อยนี่แหละความยากยากเพราะกิเลสมันต่อสู้เราเท่านั้นอย่าพึงคิดไปอย่างอื่นอันจะทําให้เกิดความท้อถอยน้อยใจ แล้วลดละความภาคเลี่ยนของตนลงโดยลําดับให้กีเด็ดหัวเลาะเยาะอยู่ทั้งวันทั้งคืนที่เราประกอบความเพียนด้วยความไม่เป็นท่าดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ฝังใจในการบาเพ็ญของตนมีเรานี้เท่านั้นที่จะรับผิดชอบตัวของเราโลกทั้งโลกจะเป็นโลกใดก็าตามในสามโลกนี้คือกามาโลก รูประโลกอรูประโลกหรือการมาพบรูประพบอรูปพบทั้งสามนี้เราอย่าไปมอบใจิตใจให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพบหนึ่งพบใดเป็นผู้ที่จะชุดลากหรือมาช่วยชุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์อันเป็นเรื่องของเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมานอกจากอัตธรรมคือความเพียรของเรานี้เท่านั้น ที่จะฉุดลากเราได้ที่จะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายและถอดถอนพิเรศทุกประเภทออกจากหัวใจเราได้และหลุดพ้นทุกประโดยสิ้นเชิงจากธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาฉุดลากมาช่วยเราให้พ้นจากทุกประได้ในบรรดาที่กล่าวมาทั้งหมดในแดนแห่งโลกกานนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรหวังใจจะหวังพึ่งสิ่งใด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีอนิจจังทุกขังหน้าตามัดตรึงตงรามันอยู่ตลอดเว ล, ลาทั้งนอกทั้งในทั้งใกล้ทั้งไกลขึ้นชื่อว่าสมมติแล้วมีอนิจจังทุกขังหน้าเต็มตัวด้วยกันเท่านั้นเราจะหวังพึ่งอะไรนอกจากจะหวังพึ่งธรรมซึ่งเป็นเครื่องสุดลากิเลสตัวสําคัญที่พาให้สัตว์ล่มจมมีเราเป็นสำคัญคนหนึ่งไม่ด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายนี้เลยเนี่ยสาคัญมีเท่านี้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 จากพระองค์มาห้าหันฟันกับที่เหลือให้แตกกระจัดกระจายไปด้วยความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสาคัญนี้เท่านั้นนี่ต่างกันกันกบพระพุทธเจ้าซึ่งทรงเสาะแสวงโดยลําพังที่เรียกปัสยํมผู่เวลารู้ก็รู้โดยลําพังพระองค์เท่านั้นไม่มีใครมาแนะนําสั่งสอนเลยแต่เรานี้เป็นผู้ได้รับการแนะนําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าทุกแง่ทุกมุมทำทั้งหมดที่นับพอประมาณ 8,4% ดพืนสพระธรรมขันธ ล้วนแล้ตั้งแต่อุบายวิถีและเครื่องมือสําหรับที่จะสังหารก่เลสทั้งนั้นเราได้รับมาหมดเรียนก็เรียนมาพอสมควรแล้วทุกๆ ท, ท่านเนี่ยที่แตกต่างกับพระพุทธเจ้าเครื่องมือเราก็มออีมีแต่เราจะจริงหรือไม่จริงนี้เท่านั้นให้พากันฝังจิตลงในปัจจุบันเห็นโทษแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างแท้จริงและเห็นคุณค่าแห่งธรรมเป็นเครื่องถุดลากจากกิเลส ให้ถึงใจเช่นเดียวกันความเพียรของเราจะได้ก้าวไปโดยลำดับไม่ถอยหลังดังที่เป็นอยู่แลจะจและเป็นมาผู้ปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นเสมอหยิดเวลาเด็ดต้องเด็ดยาอ่อนแอท่อแท้ไปตลอดสายอันเป็นเรื่องของทิ่เด็ดฉุดลากไปหาความหากฎเกณหาที่สุดยุติแห่งปาช่าแห่งความเกิดตายของเหล่านี้ไม่พบไม่เจอเลยถ้าเป็นดังที่เป็นหมัน เวลานี้เราจะตัดภพตัดชาติออกจา ก, กจิตใจของเราซึ่งฝังเชื่อคือพพชาติอยู่ภายในด้วยกันออกจากใจของเราด้วยความภาคเพียรนี้ไม่ลดละนี่แหละคำว่าพุทธังสนังคัจฉานิของพระเจ้าเป็นแบบฉบับตามที่กล่าวมานี้ทำมังที่เกิดขึ้นได้ในพระทัยของพรองค์จนกระเทือนโลกกระถาดได้นำมาสั่งสอนสรรโลก เลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ออกมาจากความเดนตายของพระพุทธเจ้าที่ห้ามหันกิเกสไม่มีการลุนละทอถอยนี้นี้ต่างหาไม่ใช่เกิดมาจากความมันแอท้อแท้เหลวไหลอะไเลยเราจึงไม่ควรจะเหลวไหลทีิยาอาการทุกส่วนให้ดูอาการของผิดที่คิดออกมามันโง่หรือมันฉลาดมันคิดไปทางกิเลสหรือทางธรรมะ ผู้ปฏิบัติดูจิตใจนี้อย่าดูที่อื่นอย่าดูต้นไม้ภูเขาอย่าดูดินฟ้าอากาศอย่าดูมืดดูแข่งอย่าดูสัตว์ดูบุคคลดูวัตถุต่างๆให้ดูอาการของกิตที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่เวลานี้ตัวนี้แหละเป็นตัวสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่เสมอเพราะกิเลสเป็นเครื่องผลักดันเป็นผู้บัญชางานเป็นเจ้าของงานเป็นตัวจักอันใหญ่มันหมุนเวียนอยู่ภายในจิตใจนี้เข้ามาวัตจักรวัวตะจิตนี้จะเป็นอะไร ถ้าไม่ใช่เป็นอยู่ที่จิตของเราจากกิเลสที่พาให้หมุนอยู่นี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นกว้างแสนกว้างก็งกงเถอะเรื่องโลกอันนี้ไม่มีพิษมีภัยอันใด น, นอกจากกิเลสที่สังอยู่ใ น, ในใจนี้เท่านั้นเป็นพิษต่อสัตว์ทั้งหลายมีต่อเราเป็นต้นเราไม่เห็นโทษของมันในจุดนี้เราจะเห็นจุดไหนนี่ผู้ปฏิบัติให้ทําความมั่นใจลงที่จุดนี้การ หลับการนอนการขี้เกียจขี้ค้านการท้อแทะอ่อนแอเราเคยเป็นมาแล้วได้ผลอย่างไรบ้างเอามาทดสอบกับความเพียรของเราความเพียรวันนี้ได้ผลอย่างไรบ้างและกธิเลียดได้เหยียบย่ำทำลายกี่ครั้งเรามีการชนะกิ่งในแง่ใดบ้างพอที่จะโหมกําลังเข้ามาสู้กับมันให้ได้ชัยชนะไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงกิ่เลสขาดสะบั้นออกจากใจให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจิตดวงที่เป็นเจ้าแห่งวัฏะครองวัฏะมาเป็นเวลานานแสนนานนี้ ได้ยุติกันแล้วลงแล้วในขณะ น, นี้ในวันนี้ในอิริยาบนุนี้นี่ด้วยความาพากเพียนอันเด่นชัดเห็นประจักษ์ภาณจิตใจของเรานี่คนเดียวให้เห็นอย่างในนักปฏิบัตินี่ละถ้าว่าทรมังสนังกระฉามเป็นธรรมที่ตรับไว้ชอบแล้วออกมาจากความรู้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงได้ตรับไวชอบเนี่ยสังคังสนังกะฉามนี้ ผู้สเสด็จเขาพูดตามสเสด็จพระพูดธเจ้านั้นไม่ใช่คนท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่คนง่เงา่าเตาตุนกินแล้วนอนก่อนแล้วห น, นิแต่เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมุ่งหวังต่อทำอย่างแรงกล้าที่จะฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากทุกขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะเห็นภยัยกิเลสก็เห็นมามากต่อมากในประวัติของพระสาวกแต่ละองค์ละองค์เ่าพอที่จะทราบได้ว่าเป็นอย่างไร บาโองค์ถึงอยู่กับบ้านมาได้ทุรุนทุนลายอย่างพระยศกุลระบุตรเป็นต้นต้องได้ออกหนีจากบ้านจากเรือนแล้วเผอิญไปเจออปาปุถะเจ้าพระองค์ทรง โ, รโรปรดโปรดการจนได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นสานังค้าฉามีของพวกแถวองค์หนึ่งในปฐมการคือที่แรกๆพระเยาวตรัสรู้นี่แหละพระสาวกแต่ละองค์ท่านเป็นอย่างนี้ควรนํานท่านมาเป็นคติตัวอย่างกษัตริย์ก็มี ที่มาเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอรหรรันต์ภาษา v o ซะด้วยเศียทีกุดุมพีข้าราการชั้นสูงเสยนาบดีมีมากต่อมากกษัตริย์มีมากต่อมากเศียทีกุดุมพีมีมากต่อมากเวลาสะละตนออกมาสู่หลักธรรมหลักวินยัยเพื่อความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้าแล้วท่านดําเนินเป็นยังไง เหมือนฝ่ามือกับหลังมือพลิกเปลี่ยนเป็นค น, นโลกไปเลยความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาในทางโลกนั้นลบทิ้งออกหมดหาเอาใหม่เรียกว่าโลกุตละสมบัติเอาจากเครื่องมือของพุธทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนนี้เข้าไปประหัตประหารสิ่งที่เป็นพิษร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจจนกระทั่งได้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแดนพ้นทุกโดยสิ้นเชิงเป็นชนะสรณังคัจฉามีความพวกเรามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ท่านเป็นพระประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้แหลการอยู่การกินการหลับการนอนที่พักพ้าอาศัยของท่านที่บำเพ็ญความภาคเพีเยรท่านบำเพ็ญท่านอยู่ท่านกินหลับนอนในที่เช่นไนรมาตรถานที่เช่นไรมีแต่เป็นสิ่งที่โลกมาตรฐานที่สิ่งที่โลกไม่ปึงปรัดธนากันทั้งนั้นท่านอยู่นั่นละ่ะทำเกิดในแดนเช่นนั้นแดนที่โลกทั้งหลายไม่ชอบไม่ชอบกันทำชอบเช่นนั้น ผู้บำเพ็ญรมจึงชอบอยู่ในสถานที่นนั้นอันเป็นที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญของตนเพื่อค่าดิเศษได้ง่ายได้ลงไปกว่าที่อันหรูหราหนึ่งพากันจำเอาไว้สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ประกอบความภาคเพียรได้ยพยายามสงวนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถ ในขณะหรือเวลาที่ผมรับมเพื่อนไว้เพื่อการแนะนําสั่งสอนก็เพื่อการอบรมด้วยเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญของพระที่มาอยู่ในสถานที่นี้ควรจะบําเพ็ญด้วยความสนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางจงกรมเอาให้มันเป็นเหวไปเป็นไหลนั่นละ่ะคือการทำงานสถานที่เดินจงกรมเป็นสถานที่ทางานของพระผู้จะฆ่าที่เลือ ร่มไม้ชายเขาที่สงัดงบเงียบกระต๊อบเป็นสถานที่นั่งภาวนาบำเพ็ญตนด้วยความไม่กังวลกับสิ่งใดบำเพ็ญตนเรื่ความสะดวกสบายเพื่อทําทั้งหลายเท่านั้นไม่ห่วงโลกห่วงสงสารไม่ห่วงบ้านห่วงเรือนไม่ห่วงสมบัติเงินทองอันเป็นสิ่งภายนอกใครๆก็มีได้เพราะเป็นวัตถุวแราชัตอันหนึ่งๆเท่านั้นที่มาอาศัยชั่วระยะการที่มีชีวิตอยู่ พอตายไปแล้วก็หมดความหมายทุกความหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะพังไปตามๆกันหมดเมื่อร่างกายของเราพังสีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความหมายเลยแม้สิ่งนั้นไม่พังก็จะพังตามตามมันไปเราจรึงไม่ควรถือเป็นสรณะเป็นที่ยึดถือให้เสียวเวลาเสเวลาให้กิเลสสร้างตัวขึ้นมาด้วยการสั่งสมด้วยการสร้างผันตนว่ามีความรู้ความฉลาดว่าตนมั่งม่สิรุขว่ามีบ้านมีเรือนมีบริษัทบริวารมากเพียงเท่านั้น อันเป็นบ่อกเกิดของกิเลสยาพึงงชตอยาพึงเนื้อให้เสียเวลเวลาออกมาแล้วมีเราเท่านั้นออกมาบวชแล้วมีเราเท่านั้นเป็นกับตายก็เราสุกขกับทุกข์ก็เราจะฉุดลากตนได้มากน้อยเกียงไรก็เป็นกําลังวังชาสติปัญญาของเรานี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยปลดช่วยเพื่อเราให้หลุดพ้นไปได้จึงอัตติอตโนนาโถคือไรคือไข่คือเราพึ่งเรานี่ะ ประกอบความภาคเปลี่ยนเต็มเน็ตเต็มหน่วยยาได้ลดละถอยหลังขยันเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็เอาเดินไปให้มันเห็นความยากความลำบากในการเดินให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการเดินจงกรมเช่นเดียวกับเขาทํางานทางโลกเราทํางานทางธรรมก็เห็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการประกอบความภาคเปลี่ยนของเราเช่นนั่งนานไปยังไงต้องเจ็บปวดแสบร้อนดีไม่ดีก็ ล้มทั้งหายเป็นไรไปเพราะสิ่งเหล่านี้ได้เคยบำเพ็ญมาแล้วก่อนที่จะมาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนมูอเพื่อนตามพระติกำลังนี่ก็ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งนั้นเดินจงกรมก็ได้เดินห้าหกก้าวโมงจากนั้นเราไม่เคยนี่ก็เออตอนกลางวันนั้นอาจเป็นได้คือเดินตั้งแต่ฉันทหารเสร็จแ้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนี่เป็นได้อันนี้ แต่ที่เดินกลางคืนยังไม่เคยปรากฏว่าได้ถึงเจ็ดแปดชั่วโมงเพียงห้าหชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ปรากฏว่าเหน็ดเหนื่อยควรากการพักและเวลาพักก็พักนั่งสมาธิเป็นวิธีการต่อสู้อีกวิธีหนึ่งคือเดินจงกรมก็เป็นวิธีการต่อสู้วิธีหนึ่งโดยทางสติปัญญาเช่นเดียวกันแล้วเปลี่ยนจากเดินเห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มานั่งสมาธิภาวนา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 มันไม่ดีแล้วหรออพิจารณาสินั่งสมาธิก็เหมือนกันวาดนรลงไปสมาธิเวลานั่งมากๆนี่สำคัญมากจะมีเวทนาให้เป็นเครื่องพิจารณางานอื่นๆต้องได้ปล่อยทิ้งหมดรวมตัวเข้ามาสู่ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายจุดต่างๆจุดไหนที่เด่นกว่าเพื่อนถือจุดนั้นเป็นสนามรบติปัญญาอย่างลงไปที่นั่น อ้าทุกก็ทุกเวลาจะตายต้องทุกถึงขั้นตายมันถึงตายได้นี่เวลานี้ยังไม่ตายมันทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้ให้เห็นกันแต่อย่าไปนั่งทนนั่งทนทุกข์เฉยๆให้นั่งทนด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในทุกขสัตว์ทุกขสัต์คือความเป็นทุกข์มากๆในสกลร่างกายนี้มันมาจากอะไรมาจากไหนอะไรเป็นทุก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 ทุกจะเกิดขึ้นหรือทุกไม่เกิดขึ้นหรือทุกดับไปก็ตามอาการเหล่านี้ก็คืออาการเหล่านี้คงเส้นคงวาของตัวอยู่อย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นทุกขเวทนาก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนาต่างหาไม่ใช่อาการเหล่านี้เป็นทุกทุกเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นคนละอย่างละอย่างท่านจึงเรียกว่ากายว่าเวทนาเวทนานั้นหมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เรียกว่าจิตเจิตคือผู้รับรู้ผู้รับรู้นี้โง่หรือฉลาด ถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาช่วยผู้รู้นี่ผู้รู้นี่จะเป็นผู้รู้ที่ฉลาดแล้มผมทันต่อเหตุการณ์คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมามากน้อยภายในร่างกายของเราภายในส่วนไหนก็ตามให้ค้นคว้าเข้าไปตรงนั้นจนกระทั่งเห็นความจริงจากทุกขเวทนาที่อยู่ในจุดนั้นๆแต่สําคัญได้ยาอยาอยากให้ทุกหายนะถ้าอยากให้ทุกหายอยากเท่าไรทุกยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นจะหาความ กินต่อกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญต่อทุกขเวทนาปฏิบัติต่อทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ต้องการความจริงไม่รู้อยากรู้ความจริงด้วยสติปัญญานี้เท่านั้นนั่นจริงจะเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากๆเจรานาเรื่องทุกในขณะที่นั่งมากหรือเจ็บ ป, ปวดแสบร้อนในร่างกายมากต้องพิจรารณาอย่างนั้น เมื่อเวลารอบกันแล้วการพิจารณารอบกันแล้วนั้นนะกายทุกส่วนจะเป็นความปินของตนไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกเวทนาทุกอาการที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนาเป็นของตัวเองไม่ไปแยกไปแยะไม่ไปแย่งชิงตาแหน่งกันเช่นกายกลับมาเป็นทุกข์กลับไปเป็นกายอย่างนี้ไม่มีเมื่อเวลารู้ชัดแล้ว กายก็เป็นกายหรือหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกอาการต่างๆเป็นของตัวเองของตัวเองทุกก็เป็นเป็นของตัวเองนี่เรียกว่าพิจารณาเห็นความจริงจากกายและทุกขกสัตย์คือทุกข์ที่เกิดขึ้นไายในร่างกายเมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วจิตคือจิตนี้เป็นของสำคัญ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 เป็นเป็นทุกต่างๆเป็นทุกต่างหากเมื่อความสำคัญของจิตได้ถอยตัวเข้ามาสู่จิตแล้วอาการเหล่านั้นจะไม่มีเลยว่าสิ่ง น, นั้นมาให้ทุกข์แกเ่เราสิ่ง น, นี้มาให้ทุกข์แกเ่เราอย่างไม่มีนี่เรียกว่าพิจณาทุกขสัตย์รอบพร้อมทั้งเห็นชัดภายในกายและจิตเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริง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 หมดความสําคัญซึ่งกันและกันเลยนี่ประการประการที่สองทุกมีอยู่กายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่ประสานกันไม่ยุ่งกันนะทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนจิตได้จิตจึงไม่เป็นทุกไปตามนั้นเลยนี่ทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นจากการดูเห็นความจริงแห่งทุกแห่งกายของและจิตทั้งตนนี่ การนั่งภาวนานานหรือการเป็นทุกข์ภายในร่างกายจะเป็นทุกข์แบบไหนก็ตามด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ตามย่อมจะพิจารณารอบหลงได้โดยวิธีการอันนี้แล้วหายสงสัยถึงทุกข์อันนั้นจะไม่หายเช่นโรคภยัยไข้เจ็บไม่หายก็ตามแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่ไปสําคัญนี่การประกอบความภาคเพียรด้านการนั่งภาวนานา น, าน นี่ได้เคยทำมาแล้วดังที่เคยได้พูดเพื่อเป็นคติแจกหมู่เพื่อนมาหลายครั้งหลายหนแล้วการนั่งภาวนานานรบกับทุกขเวทนานี้จนเห็นผลประจักษ์ใจได้รับความอัศจรรย์ทุกๆครั้งไปในบรรดาของการนั่งภาวนาถึงขั้นตลอดลุ่งหรือหามรุ่งหามคำไม่มีคราวใดที่ได้พลาดโอกาสไปเลย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 เพราะเป็นสัจธรรมอย่างเด่นชัดเห็นประจักษ์เราเป็นผู้ก่อภูมิผลที่เกิดขึ้นจากสัจธรรมอ น, น้คือความอัศจรรย์เห็นได้ชัดทีเดียวนี่นี่การประกอบความภาคเพียรจะใช้วิธีไหนถึงตามเวลาที่ควรจะใช้เราไม่ควรกลัวตายถึงเวล า, าที่ควรใช้ถึงเวล า, าที่จะถอยไม่ได้มันหักมีในจิตถอยไม่ได้ไม่ถอย เอาจงกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ใจแล้วมันหักถอยต่างอันต่างถอยกันเองโดยหลักธรรมชาติโดยความมีสงาาส่าราศีทายในจิตใจของตนนะไม่ลดลายของนักปฏิบัติของนักประกอบความภาคเพี่ยนว่าไม่เปลี่ยนท่าเนี่ยมีอการปฏิบัติประกอบความภาคเพี่ยนและธรรมอัศจรรย์นี้จะปรากฏขึ้นหลังจากที่การพิจารณา ในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้รอบตัวหมดแล้วจิตก็ถอนตัวเข้าไปพระเห็นรอบหมดแล้วจะมายึดอะไรอีกเนี่ยเมื่อถอนตัวเข้าไปสู่หลักธรรมชาติของจิตโดยแท้แล้วแม้จะมีอวิชชาอยู่ในนั้นยังไม่หมดก็ตามแต่กวามสัจยรร์ก็ทําให้ลืมไม่ได้จนกระทั่งวันตายเช่นเดียวกันนี่แหละการถอดถอนกิเลสเป็นเช่นนี้ ความเพียรจริงควรให้มีเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะที่ควรจะหนักให้หนักนอกจากเรื่องว่าเบานะั่นมันเป็นของมันเองนะควรจะหนักก็ให้มันหนักบ้างนักประกอบความภาคเพียรให้ได้เห็นความอรจันยาให้มีแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านอธิบายเรื่องทําเรื่องความมีความเป็นของท่านหรือของทำให้ฟังจินั้นให้ปรากฏในจิตใจของเราปรจักเองมันถึงเชื่ออย่างลึก เชื่ออย่างฝังใจถ้าเราได้เห็นได้รู้โดยลำพังตนเองแล้วเรียกว่าสันทิฏิโกประจัก์หรือปัจจตังเวดิตาโบประจัก์ภายในแล้วจะไม่มีวันลืมเลยนี่การประกอบความภาคเพียรแล้วกับตามปกติอยู่ที่ไหนไปที่ใดอียาบทสี่ให้ดูความเคลื่อนไหวของใจเสมอนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายขึ้นมาแก่เราไม่ใช่เรื่องอะไร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 กองทุกข์จากความสร้างของมันไปตลอดสายเกิดในภพใดชาติใดมีจะเกิดเพื่อความทุกข์ความทรมานตัวเ อ, องไม่เดืเกิดเพื่อความบุดพ้นเพราะอำนาจของกิเลสนี่เลยนอกจากทรรเกิดเท่านั้นทรรเกิดมากน้อยจะดับทุกข์ลงไปโดยลําดับลําดายยนทุกข์เข้ามาย่นทุกข์เข้ามาดังผู้ได้สําเร็จพระโสดานี่เป็นความที่แน่ภายในจิตใ จ, จของโดยลําดับมโสตะคือกระแสเข้ากระแส ที่จะไม่เกิดตายอีกแล้วจะชา้าหรือเร็วก็ท่านก็มีกำหนดเอาไว้ดังที่ท่านแสดงไว้ในตาหรับตําลาอันเป็นของแน่นอนตายตัวแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้เช่นดังพระโสดาถ้ายังอ่อนก็เจ็ดชาติยางกลางก็สามชาติยางอุกฤษก็หนึ่งชาติหนึ่งชาติี่การมาเกิอดอีกชาติหนึ่งก็ได้หรือว่าในชาตินั้นแล้ว กิจณาบำเพ็ญตนเองจนแก่กล้าสามารถบรรลุธรรมกัณฑสูงสุดวิมุตติพานคือเ็เป็นอรหัตตบุคคลขึ้นภายในชาตินั้นก็ได้นี่เป็นความแน่นอนสำหรับจิตดวดงนี้จิตรดดงนี้เมื่อเข้าจุดรวมแล้วจะรู้เจ้าของไปโดยลําดับลำํำดับความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงไรสติปัญญาไม่ต้องบอกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับจิต ด, ด้วยการสั่งสมด้วยการบำรุงตลอดเวลาอยู่แล้วจนกลายเป็นหลักธรรมาชาติคืออัตโนมัติ แห่งความเพียนของสติปัญญาขั้นนี้ทํางานจะเป็นไปโดยลําดับเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นความวัศจันท ร, ร์ของธรรมไปโดยลําดับลาดาในขณะเดียวกันจะเห็นความทุกข์ที่เคยเป็นมาโดยลําดับลาดาจนกระทั่งว่าทุกข์ที่กิเลสสร้างขึ้นมาในจิตใจนี้ยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะเห็นเป็นทิษเป็นไปประจําจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ละเว้นที่จะสังหารมันจนได้นั่นเน่ยนั่นหนาทัานเดียวสติปัญญาอัตโนมัต มันเห็นโทษเห็นภัยกันอย่างไม่จีดจางย่างขยับตัวเข้าไปเรื่อย ๆ, ๆมัดเข้าไปเรื่อยๆมัดกิเลสมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเหมือนกับกิเลสมัดเราแต่ก่อนกระดิกเอาไปแง่ใดมุมใดของอาการของกิตมีแต่เรื่องของกิเลสทํางานเพื่อมัดเราให้อยู่ในกองทุกข์นอ่ในเนื่อมือมันเท่านั้นนี่เมื่อทำมีอํานาจก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้ผิดกันอะไรเลยผู้ปฏิบัติจะทราบด้วยตัวเองด้วยกันทั้งนั้นมเมื่อถึงทำขั้นได้เป็นอัตโนมัติแล้วนั่นล่ะ เป็นขั้นที่จะมจัดกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือในวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างรีบอย่างร้อนอย่างสดสดร้อนร้อนอยู่ภายในความเปลี่ยนนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้มีความเปลี่ยนประเภทนี้จึงหาเวลาว่างไม่ได้ไม่มีเวลาว่างตาเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจิตไม่ว่างจากการ ขนขวายจากการขูดค้นเพื่อฆ่ากิเลสโ ด, ดยลําดับไปตาหูจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์หรือไม่สัมผัสสัมพันธ์ไม่สําคัญแต่จิตนั้นกับกิเลสนั้นจะสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสโ ด, ดยลําดับไปนี่นี่แหละถึงขั้นนี้แล้วเราจะได้เห็นคุณค่าของจิตเห็นคุณค่าของธรรมเห็นความหวังของตนว่าสร้างขึ้นมาใกล้เข้าไปทุกทีกับ ความบุดพนหรือพระนิพานหรือความบริสุทธิ์ของใจสิ้นเสร็จไปจากกิเลส ป, ประเพศต่างๆะจะเห็นเป็นสดสดร้อนๆตลอดไปเลยเพราะฉะนั้นความเพียรของผู้บำเพ็ญในขั้นนี้จึงนับวันที่จะก้าวก้าวหน้าโดยลําดับลําดาไม่มีคำว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนนี้ที่ความเพียรจะไม่ดำเนินสติปัญญาจะก้าวอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดยังนอกจากเข้าสู่สมาธิเพื่อ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 ไม่ได้แล้วจิตดวงนี้ ท, ท, ทั้งๆที่ตะกรพลุงพลังจนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายหาจิตไม่ได้มีแต่สิ่งควบคุมมีแต่สิ่งปกปิดกำบงังปัจเจกหมดสิ่งนั้นไม่พึงปะไม่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยแต่มันเป็นใหญ่มันครอบหัวใจไว้หมดหาทางที่จะสอดส่องเข้าไปดูใจเจ้าของไม่ได้เลยก็มีหนัดดังที่มันเป็นอยู่ที่จิตไม่หลักในฐานนั่นแหละ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 ถอยออกมาทํางานด้วยปัญญาลแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิให้ทํางานหน้าตามหน้าที่ของสติปัญญาเรื่อยไปนี่แหละคือการฝุดโคลนการฟาดฟันทันแหลกกับพิเดรศทั้งหลายด้วยวิธีการคือปัญญานี่แหละเป็นสําคัญสมาธิเป็นเพียงภาคกิตเพื่อเอากําลังเท่านั้นนี่เมื่อถึงขั้นละเอียดจิตจะทราบตัวทุกระยะอ่ะ ว่าจิตเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดสมมติว่าตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ต้องถามใครเลยมันบอกอยู่ในตัวข้อมันเสร็จทีเดียวนี่จนกระทั่งถึงจิตได้หลุดพ้นออกจากสิ่งเกี่ยวข้องคือสมมุติทั้งปวงมีอวิชชาสมมุติเป็นต้นโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่เด่นดวงทําไมจะไม่รู้จนเหมือนกับว่าโล ก, กาธาตุบ่นใยล่ะจิต ด, ดวงนี้ได้หลุดพ้นจากความจองจํามากี่ภพกี่ชาติแล้วที่เคยจองที่เหลืเคยจองจํามา แล้วได้ขาดสะ บ, บ้านไปจากกันแล้วแล้วนี้ทําไมจะไม่ทราบอย่างเด่นชัดท่านวัดสันทิทิโกที่ประกาศกลางวานันเหมือนกับว่าสามแดนโลกธาตุนี้ถล่มก็คือจิตที่พลากจากวิชานั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็ชาัดเรื่องการเกิดการตายจะไปเกิดที่ไหนอีกไหมจะไปตายที่ไหนอีกไหมเมื่อเกิดไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อไม่มีเชื้อพาให้เกิดจิตจะไปเกิดได้ยังไงเชื้อของจิตคืออะไรมันก็รู้แล้ว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 ประสาททํางานสมบูรณ์เต็มที่เลยกันทําไมจะไม่ทราบความเย็นน้อนอ่อนแข็งรือเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานต่างๆจนกระทั่งถึงความอิ่มไปเดยลำดับดาถึงขั้นอิ่มสุดเต็มที่ที่จะรับทานต่อไปอีกไม่ได้แล้วทําไมจะไม่ทราบต้องได้ทราบกันทั้งนั้นนั่งรับทานรวมกันอยู่เป็นพันๆเป็นเหมือนแสนคนก็ตามจะไม่มีรายใดเลยแวกแนวออกมาว่าความอิ่มมันข้าพระเจ้าไปยังไงเผ็ดเค็มมันข้าพระเจ้าไปยังไงไม่มี ทราบไปเดิมดับจงกระทั่งถึงความอิม่มหนำทำนาเต็มที่นี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นผู้ที่รู้ทำทั้งหลายรู้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจึงพระอาจารยพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกสมัยก็ดีจึงไม่ถามกันพอถึงขั้นไม่ถามแล้วไม่ถามถามไปหาอะไรมันประจกักษ์พิพายในจิตใจเลยนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อข้องใจให้ให้ถามนี่รู้ชัดอย่างนี้นี่แหละการรื้อถอนตนออกจากทุกให้ทําความพยายามพึ่งตนอยู่เช่นนี้ เราอย่าหวังพึ่งอันใดในโลกนี้อย่าหวังพึ่งปีเดือนบันสถานที่นู่นที่นี่อย่าคาดอย่าหมายไปให้เสียเวลาในความเพ่งเราในระยะหนึ่งหนึ่งให้บ้าเพ่งตัวไปโดยลําดับลาดาจนกระทั่งถึงที่สุดบิมุตบุตรพ้นไปเสียภายในในร่างกายที่ยังครองร่างอยู่นี้แหละเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแล้วตายเมื่อไรก็ตายไปเถอะอันเรื่องธาตุเรื่องขันมันรวมตัวกันเข้ามานี่ มีจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปถือกรรมสิทธิ์ยึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเลี่ยวกับปฏิสนธิวิญญาณเขาเกิดเข้ายึดถือเนี่ยถึงการเวลาอันนี้มันสลายแล้วห้ามไม่ฝังห้ามไม่ได้มันก็แตกข้างมันไปจิตหมดความยึดถือหมดอุปทานแล้วก็หมดความรับผิดชอบความอุปทานไม่มีจิตอยู่แล้วหมดความรับผิดชอบนั้นหมดปัญหาเรื่องของสมุติ โดยประการทั้งปวงนั่นแหะท่านมานิพพานดังพระพุทธเจ้าของเรานิพพานดังสาวกทั้งหลายนิพพานท่านปล่อยความรับผิดชอบที่แรกก็ปล่อยกังบนหลังจากนั้นมาก็เมื่อบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แล้วก็ปล่อยความรับผิดชอบคือพาราอเวปัญจักขันธานี้เสียขันธ์ทั้งห้ามันเป็นทุกข์ก่อควรอยู่ตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาตายะบด ท, ทั้งสี่เพื่อธาตเปืกขันธ์ในทั้งนั้น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 รับหลับนอนๆอนตื่นตื่นกินกอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยความเพียรให้เร่งเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานาให้ถือเป็นกิจจำเป็นของพระเรางานของพระคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานานี่แหละงานของพระงานฆ่ากิเลสเหมือนอย่างโลกเขามีงานทำกันเขาทาอยู่ที่ไหนที่ทำงานน้องเขามีมีมีทั้งนั้นที่ทำงานของพวกเราคืออะไร คือสติปทานสี่อริยสัจ4ี่ที่อยู่กับตัวเา้าสถานที่ที่ทํางานคืออะไรอีกทางจงกลมเดินลงไปที่สมาธิภาวนาตามร้นไม้ชายปา่าแต่เขาตามกระตอบนั่งลงไปพิจารณาลงไปนี่เรียกว่าผู้ทํางานคนไม่ว่างงานย่อมจะปรากฏสมบัติอันพึงใจขึ้นมาในวันเวลาใดเวลาหนึ่งจุดได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจขอ พ, พุทธปฏิบัติต่อไปนี้มันจะไม่มีะนะ า, ม า, านกรรมฐานจะมีแต่ชื่อและเวลานี้ ถูกสิ่งยั่วยวนทั้งหลายมันล้อมเข้ามาล้อมเข้ า, ามารอบตัวแล้วเวลานี้่แหละคนไม่ว่าคนว่าเราว่าเขากําลังส่งเสริมกันในทางที่จะผูกมัดตัวเองที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้มากขึ้นไปโดยถือว่าตนนี้ฉลาดแหลมผมความจริงมันโง่จะตายเป็นมนุษย์เก่านี่ว่ามนุษย์นี่แหละฉลาดแต่ในขณะเดียวกันก็คือมนุษย์นี่แหละฉลาดมากอย่างไรก็ความโง่ทําลายตัวเองมีมากอย่างนั้นวุ่นไปหมดทั้งโลกทั้งสงสาร ม, มีใคร ถ้าวัาระดาษจริงๆความสุขที่จะเอามาจากความฉลาดมีตรงไหนหาหาเจอไหมไปถามที่ลองไปถามที่คนทั้งโลกฐานนี่ถ้าไม่ถามจิตของผู้บริสุทธิ์ที่เท่านั้นผู้นี้เป็นเป็นผู้ไม่จนเรื่องความสุขสมบูรณ์เต็มที่คือผู้สิ้นจิเลศแล้วเท่านั้นแล้วมีความสุขที่พึงใจของตัวเองก็นับตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักจิตมีเรือนจิตจิตย่อมมีความสงบสบายเนี่ย จากนั้นกจิตมีปัญญาแพรวความสามารถฆ่ากิเลสไปโดยลําดับลานาเห็นที่ฆ่าเห็นที่ตายของกิเลสเห็นที่บุญพ้นจากเห็นชัยชนะของตัวที่ชนะกิเลสไปโดยลาดับลานาจนกระทั่งถึงเห็นประชากิเลสมันบรรลัยประจิตสังหารกิเลสไปด้วยกุชลาธรรมะด้วยความฉลาดของตนนี่แหะเห็นอยู่ที่จิตนี่ไม่ได้เห็นอยู่ที่ไหนนะดูที่นี่นี่แหละความสุขอยู่ที่ตรงนี้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 เป็นที่ไว้ใจเป็นที่ไว้ใจเดิมดักรำดาไม่มีฉากหน้าฉากหลังเหมือนกิเลสที่ตัวมายาแสนก่นนี่เลยอันนี้มีเถ อ, อะฉลาดขนาดไหนกองทุกเต็มหัวใจเอาเอาความสุขมาจากไหนฉลาดกิเลสพาให้ฉลาดหาความสุขไม่ได้นะถ้าทําพาฉลาดและเอาไม่ต้องถามใครก็ได้พูดก็สาธุพระเจ้าพระนิพพานกี่หมื่นกี่ล้านองค์ไม่ถามพระ อ, องค์ถามทำไมพระ อ, องค์ก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสุขอย่างเดียวกันถามท่านทำไ ม, มนั่น นั่นที่ว่าเป็นคนที่เจอสุขจริงๆบรมมาสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนและไม่ต้องหมายป่าช้าไม่ต้องกลัวเรื่องความเป็นความตายกลัวมันอะไรเรื่องสัจธรรมนเรื่องความจริงรวมมันเข้าสลากันไปเรื่องอนิจจ์ทุกขังนาตามีอยู่ทุกสิ่งทุกขนรู้ตามอนิจจ์ทุกขังนาตาแล้วหลงไปอะไรอีกตื่นได้อะไรอยู่ตามความจริงของตนทันเองนั่นนี่แหละความถุกหาหอมตรงนี้ทำมันได้สิ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 บรบมส่บรบมสุปรมังสุ ข, ขงังปรมังสุ ข, ขงังหมายถึงอะไรท่านหมายถึงกิจที่บริสุทธิ์นี้เานั้นจิตที่มีกุเิเด่นมันเอาปรมังสุ ข, ขังมาที่ไหนมาให้เรามีแต่เอาปรมังทุกขังแล้วเข้ามาญาติใส่ญาตใสญาตใส่เต็มหัวใจสุดท้ายก็จะเป็นบ้าทาั้งๆั้งที่ยังไม่ตายเพราะทุกข์มันมากเหลือมา ก, ตมากสติปัญญาบังคับไม่ไม่ได้บังคับไม่ทั่วถึงกําลังไม่พอสุดท้ายเป็นบ้าไปได้เพราะความคิดมากยุ่งมากนั่นทุกข์มากเองจะเป็นอะไรไป เอาให้มันเห็นชัดเจนที่นักปฏิบัติแต่มันรู้ในหัวใจแล้วมันพูดได้หมดนั่นแหละเบนแต่มันไม่รู้มันพูดไม่ได้ถ้าลองได้รู้แล้วปิดได้อยู่เหรือของมีอยู่พูดตามสิ่งมีอยู่เป็นอยู่ทําไมจะพูดไม่ได้เห็นได้ทําไมพูดไม่ได้วะนั่นเอาใมันจริงจังอย่างนักปฏิบัติเอาละเทมรู้สึกเหนื่อยแล้วพอนอกจากวิชาธรรมทอนนั้นวิชาธรรมเพียงเรียนไมายเฉย มันก็ไม่เห็นเรียนมาเท่าไหร่ก็แก้ตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เราไม่ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันหรือวิ่งไปหาพ่อแม่ขรูอาจารย์มั่นเห็นไหมละ่ะอมืมันช่วยอุบายต่างๆแล้วก็ทําตามวิธีอุบายของท่านที่ท่านพ า, น า, นานดำเนินมาแล้วนะั้นค่อยๆเข้าออเข้าใจเข้า อ, อ, อใจนื้อหนักที่นี่มันแก้ได้จริงท่าปฏิบัติแก้ได้ท่าปฏิบัติรู้ได้จริง อาสิ่งไม่เคยรู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาจริงจิตนี้ จ, ง này, จึงเป็นสิ่งที่พิสดารมากนะอืจิตดวงนี้แหละเวลามันโ ง, ง่มันก็โง่แสนโง่ dit. แต่เวลามันเนรพลิกจากความโง่ไปแล้วสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้ไม่เคยเห็นมันก็เห็นก็จะจะว่าไงก็มันเห็นนี่ไม่ว่าไงจะว่าไงก็มันมันรู้ น, นี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เนี่ย เ, เวลามันรู้ปิดไม่อยู่ก็มีแต่เรื่องของกิเลสทำให้มันปิดไว้ พอทิดเด่นเบิกออกเบิกออกมันก็เหมือนพระอาทิตย์ความเมฆมันจางไปจางไปจงไปมันก็แสงมันจ้าออกมาแล้วทะลุไปหมดเลยแต่เรื่องของปัญญานี่มันอะไรปิดไม่อยู่นะ น, นี่มีอะไรปิดมันก็อยู่พระอาทิตย์ไม่ส่องเข้าไปในก้นเหวก้นบอ่อได้หล้วแต่ปัญญานี่ทะลุไปหมดได้หมดนะสอบมาใส่เนี่ย บักสอบ <g ười> บักกระสอบบักสอบบักสอบเลยบักสอบเลยเวลามันเรื่อลับเรื่องลับจริงจิตคือจิตของเราเองนั่นแหละเราดูที่นี่นะเราดทูที่อื่นยิ่งแล้วล่ะนะเราไปดูได้ไง หมาทั้งตัวก็ทั้งตัวนี่ก็เห็นมันทั้งตัวเลยไม่เห็นจิตมันอีกอง <c oughs> คนทั้งคนก็เห็นคนเลยไม่ได้เห็นจิตคนตเวลาดูเจ้าของนี่มันเห็นจิตเจ้าของเฉเนี่ยด้วยจิตภาวนาดูทั้งตัวเจ้าของดูดูลงไปดูงไปทีนี่ทั้งดูหมดทั้งตัวเลยมันมีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องหมดมันเห็นไปชัดขนาดนั้นทิ่งจิตนมันรวมตัวเข้าไปแล้วเป็นความดวงดวงรู้ เด่นเด่นเด่นอยู่ภายในนี้มีอันเดียวนั้นดูจุดเด่ น, นเป็นจุดซะก่อนนะพอจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจุดเด่นแห่งความสงบก็อยู่ที่จิตเห็นเห็นเห็นฐานของความสงบเห็นฐานของจิตแล้วที่นี้สงบกําหนดลงไปเมื่อไรมันก็เห็นความสงบความผ่องายอยู่ในจิตชัดชัดชัดเรื่อยขั้นสมาธินี้เป็นอย่างนี้ก่อนขั้นหนึ่งนะ อันนี้รู้แล้วว่ะนี่คือจิตอันนี้คือธาตุคือขันเพียงจิตเป็นสมาธิ น, นี่นก็เริ่มทราบแล้วระหว่างขันกับจิตคือรูปกายเนี่ยสําคัญมันเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นรูปกายอันนี้เป็นธาตุไม่รู้จิตเป็นธาตุรู้ไงธาตรู้อยู่กับธาตุไม่รู้ยินน้าลมไฟกันไม่รู้จิตนี่นรู้มันอยู่ในนั้นะมันรู้ตัวเอง พอกล้าเข้าสู่ขั้นปัญญาล้วจริงมันขึ้นคลายปัญญาละเอียดมากกว่าสมาธินะละเอียดมากจริงๆผู้ที่ไม่เคยมีปัญญาไม่เคยคิดปัญญให้เคยเห็นผลของปัญญาก็มาชมผลขอสมาธิเพราะฉะนั้นคนยิ่งติดสมาธิไม่อยากออกพิจารณทางด้านปัญญาพรายังไม่เห็นคุณค่าของปัญญาแม้จะเลิ่อกว่าก็ตามยังไม่เห็นก็ไม่ถือว่าเป็นเลิ่เป็นเลื่อะไรละ ไม่ไม่ได้ิดใจเพราะไม่เปลี่ยนเพราะจิตก้าวทางด้านปัญญาอยู่ไม่ได้นะเพราะสิงไม่เคยรู้มัค่อยรู้เข้าไปรู้เข้าไปแจ้งไปแจ้งไปเรื่อยเรื่อยเื่อยภายนอกภายในวิ่งประสานกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยนีที่นี่เรื่องของของจิตนี่ก็ยิ่งละเอียดที่ว่าจุดของจิต ในวงสมาธินี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งเด่นแต่แต่หยาบเนี่ยพอยจุดของจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาแล้วเด่นทั้งละเอียดเด่นเด่นเด่นละเอียดอะไรไม อ, อะไรบางทุกทุกทุกอย่างไปนี่บางนึ่งยู้อ่ามันชุดดีมังเนี่ยไปเอาไปไปสร้างความสมดันั่นแหะสร้างความบุญบุญของเราบุญขอเราถขั้นปัญญาแล้วมัน ความผ่องใสเนี่ยมันละเอียดลงไปกว่าสมาธิมากทีเดียวนะละเอียดตรงละเอียดตรงลเียรงมันเป็นบ้าที่ในบกันเนี่ยห้อยพุ่นพ่อพุ่นพ่าพี่มุดสันผ้าจนกระทั่งชัด รูปเป็นอันหนึ่งเวทนาตัาาาณหาตัณหาวอย่างเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งจากจิตเนียถึงขั้นที่ละเอียดอันนี้จิตอันนี้ยิ่งละเอียดง น, นี้นะเป็นจิตก็ตามแต่เป็นจิตที่ละเอียดมากผ่องใสกับผ่องใสละเอียดมากอะไรมีแต่ละเอียดละเอียดพร้อมกันไปมีมีความละเอียดอยู่ในนั้นหมดละเด่นอยู่ภายในร่างกายพอถึงขั้นมั น, มนละเอียดเต็มที่แล้ว มันก็ถึงขั้นว่างขอ ง, งมันว่างเป็นจริงเราคิดดูเรามองดูหินทั้งก้อนภูเขาทั้งลูกนี่มันทะลุไปเลยมันว่างไปเพียงเป็นพราะเป็นเงาเงาเท า, านั้นเงาในเงาด้วยตาที่เห็นแต่จิตจริงๆมันทะลุไปหมดเวลามันว่างว่างไปหมดเลยเอั น, นีกย้อนกลับมาหาคู่ที่ไปเห็นวาว่างนี้ ม, มัน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 มาทำลายกันตรงนี้ถ้าทำลายตรงนี้แล้วคำที่ว่าจุดผ่องใสหรือว่าความละเอียดของจิตอันนี้มันก็มารู้เสียว่าอันนี้มันเป็นอะไร น, นี่มันก็ไม่มีทีอืนะ่นคลวก็จุดจุดนันหมดไปเลยมันก็รู้เองที่ว่าอันนี้คืออะไรล่ะแล้วทำไมมันหมดไปได้ล่ะนี่ แล้วไอ้อันที่ไม่มีจุดเป็นยังไงที่นี่ถ้าอยากจะเทียบกับคำว่าจุดที่ละเอียดผ่องใสเต็มที่นั้นมันก็เหมือนกับกองขี้ฝวยมันเราเทียบนะถ้าเทียบคุณค่าของมันคุณค่าของความละเอียดยุคความผ่องใสของจุดที่ว่าละเอียดละเอียดสุดนั่นกับเทียบกับอันที่มันไม่มีจุดแล้วนั่นธรรมชาติที่ไม่มีจุด คือธรรมชาติที่ว่างในตัวเองนะั้นที่นี่มันเข้าขั้นถึงขั้นว่างตัวเองว่างว่างในตัวเองกลับมาว่างแล้วนะอั น, นอันนี้มันก็เทียบกับทองคาทั้งแท่งกับกองที่ควายทั้งกลองมันต่างกันยังไงคุณกร้ามั น, มนเราก็พยายามได้อธิบาย ห, หมูเพื่อนจนหมดทุกจุ ด, ท, ด, ท, ดทุกมุมนะไม่ไม่เคยปิดบังนี้รับเลยนะ ตามความจริงเนี่ยแล้วเราก็ยังวิตกอยู่ด้วยว่าผู้บําเพ็ญ น, นั้นนะ่ะมายึดเป็นทัญญาได้นะเพราะงั้นพระแม่พระอาจารย์ท่านจริงไม่พูดเรื่องจุดอย่างนี้ไม่บอกไม่บอกบอกแต่วิธีการวิธีการให้ผู้เจ้าของเจอเองเจอเองมากกว่าที่จะแจงอย่างนี้แล้วแจงอย่างนี้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแต่เมื่อกิเพราะความสงสารนั้นเนี่ยเป็นเหตุที่แยกแยกให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่พ้นที่ผู้นั้นจะไปหมายในขั้นละเอียดและหมายได้จริงๆนะ มันหมายได้ว่ามันถึงขั้นที่ว่ามันหมดไม่มีจิตไม่ต่อมอะไรนะมันก็ภาลังไม่ต้องบอกก็หมดเองจิต ท, ที่หมุนเป็นกลุธรรมจักรนันมันก็อยู่เองที่ว่ามหาจิมหาปัญญาหมุนติยู่ที่ มหาติมหาปัญญามันก็เป็นคู่ปรับกันกับกิเลสเนีน่มันเป็นเครื่องมือเป็นคู่ปรับกันเมื่อศัตรูมันพังไปแล้วก็จะไปหมุนกับอะไรเอเหนือ่อยอเอาล ะ, อะเอาเอาดีออกไป